วันนี้จะพภาพประานครอบครัวคุณแม่วุณิดาจะเป็นเจ้าภาพาระธานนัเจ้าวันนี้พิชารณาคดีสารเรื่องที่สองวันนี้วัน น, นี้ที่มีการพันาประชาอุมบทเข้าเป็นชาวต่างชาติไม่มีใครมาในคนสิงคโปรป์ ค น, นนคนอเินอโดจะ้ำงานสิงคโปร์เขาอยากมาบวชอาถารมาบวชได้ไหมบางคน็ให้ไปบวชที่นโนนบวชไม่ได้เป็นพระอุชาก็จริงแต่ว่าข้ามเิตไม่ได้นั้นกีเขามาบวชที่เมืองไทยก็มีเวลาหนึ่งเดือนเห็นเจ้าหนักสองมากคพูดไทยไม่ได้ ด้านวันนี้ประมาณ9โมง4 5 1บโมงก็ใครวางก็ไปร่วมงานบรรพชาอุนมบทเพื่อเป็นรูปเป็นร่างและที่สำคัญเอาทปว่าโรบวชทวายเป็นพระราชกุศลวันนี้ปกติเขามีการงานบวชวัดเราไม่ได้จัดงานที่สามก็คือวันนี้เป็นวันสำคัญ เป็นวันพระสมบุองวงาดธรรมาชาติมหาวิทยาลัยจุฬาฯวันนั้นตับ้านทังเมืองเขาจัดงานรูปภาพเริงวัดเราต้องขึ้นรูปแล้วที่ครอยู่โคโหตวอูกต้องขึ้นหมดแล้วแต่เงใครคิดไม่ได้แล้วก็ตอนเย็นก็เชิญพุทธมนต์ถวายทางประเทศตามกำลังวันนีสามงาน วนนี้เทศไม่ได้พูดเองในคนแต่งมาให้เืองอย่า ง, งเดียววันนั้นก็ต่างใจฟังเทศก็จะเทศถึงงั้นกันเดียวและทัวประเทศวันนี้กันเดียวฟังตัวเทศเดี๋ยวค่อยจัดขบะอาหารเนาะฟังเทศก่อนเนาะ นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมสัมพุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมสัมป ah ุทสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมสัมปุทสสะไปยัวุจติภิกขุ วัชโรปมะจิตตปุคโลตนมั บ, บนี้จะรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในวัชโรปมะคถาว่าด้วยปัญญาประดุดเพชร เ, เพื่อไปเครื่องประดับประครับประคองฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมีเพระนั้นากุ้สนบุญเราศีสุนธรรมสวนสดีใม่ที่ท่านภาธุชนทั้งหลายแต่ความใจกันบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระประมงทร ประมารฐุบดีสีสินธระมหาวชิราลังกนะพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐการเนื่องในโอกาสพระราชบิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคมพุทธศักราช2567 ซึ่งนับเป็นวรระมหาบูคคลของราชนาจักรไทยที่นำมาซึ่งความปิติสมานะมาสูจิตใจของพวกราชาิไทยทั้งปวงทั้งนี้เพราะพระราชะกรรยิกิจน้อยใหญ่ที่สมเด็จบรมราบิพิษผู้ราชาสมภาราิเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติ คําเพ็นไวลล้วนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ศก ข, ของประสบนิกรชาวไทยตามในแห่งพุทธพจนิวากคาตาหิตังภระหิตังกุพยะหิตังสับาโลกะหิตามเมวะจินตยมานโนจินเตสติเป็นต้นแปลความว่า บุคคลเมื่อคิดย่ำคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญ า, ยา ม, มากเป็นชนีความหมายตามในแห่งกทธจน์นี้ก็คือว่าสมเด็จพระบรมโอปินพระราชสมภาใเจ้า พรงพระคุณานเุเสธทรงเป็นบัณฑิตผู้เพียรพร้อมด้วยอัตหิสมบัติและอำมเป็นพระหิตสมบัติปฏิบัติตลอดเวลาอัตัิสมบัติหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ที่ทรงพระบุญญาธิการน้นทรงให้สาเด็จพระบรมโอริา พระราชสมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพะละคือกำลังของมาบรุษห้าประการตามในแห่งพระพุทธศาสน ส, นสวสิทธิว่าพลังปัญจวิธังโลรเกปุริัาสิงมหาคติแปลความว่ามหาบรุษผู้มีอัตยาศใยใจในโลก มีกำลังห้าประการกล่าวคือ 1. ภพาหาพละคือกำลังแขนหรือกำลังพระโอรกายหมายถึงทรงมีพระสุขภาพพละนามัยแข็งแรงสามารถใช้กำลังนี้ในการปฏิบัติพระราชกรีกิจน้อยใหญ่ได้เป็นอย่างดีโภคภล ะ, ระคือกำลังโภคสมบัติ ได้แต่การมีุนทรัพย์บริบูรณ์พร้อมที่จะพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชานุปธรรมต่างๆอาวัจจพละคือกำลังขมาบองค์ขบนตรีเสนาข้ะราชบริพารเป็นคณะสรรงงานที่เก่งกาสามารถและมากด้วยความจงรักภักดี อภิชตชาพละคือกำลังแห่งชาติตระกูลสงมายความว่าทรงเป็นออปปโตสุชาติผู้มีพระชาติกาเนิดที่ประเสริฐทั้งฝ่ายพระบิดาและพระมารดาผู้มาจากต ร, ระกูลกษัตริยวงศ์ปัญญาพละคือกำลังปัญญาหมายถึง ความฉเฉลียวฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการศึกษาแล่การคิดอย่างแยียกคาที่ช่วยให้สามารถวิธีใช้เหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในภายนอกได้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีบรรดากำลังทั้ง5ประการนี้กำลังกายท่านจัดไว้เป็นอันดับต่ำสุดเพราะ กำลังกายที่ไม่มีกําลังปัญญากํากับย่อมทําประโยชน์ไม่ได้มากกําลังปัญญาจัดว่าเป็นกําลังที่ประเสริฐยอดเยี่ยมกว่ากําลังทั้งสี่ประการที่เหลือเพราะกําลังปัญญาเป็นเครื่องกํากับควบคุมและนําทางกําลังเหล่านั้นอาทิ กำลังปัญญาย่อมช่วยเพิ่มปูนกําลังภคทรัพย์ดังพุทธภประสิท ธ, ธิวปฏิรูปาการีธุรวาอัถฐาตาวินทะเตท่านังแปลความว่าผู้คนทำความเหมาะสมไม่ทอดทุระเป็นผู้มันย่อมหาสัพได้ในดัมลองเดียวกัน กำลังปัญญาที่ทำให้สามารถปกครองดูแลกำลังอํมมาศกำลังบริบาลยามพอเดด้วยพระเดดและพระคุณสมดังพุทธศ า, าสนสวัสดิ์ที่วา่าด้กันเห่ด้กันหาระตังปักกันเห่ปักกันหาระหงแปลความว่าคมคนที่โคนข่มยกยั่ง ควรี่ควรยกย่องเพราะเหตุที่ทรงเพียรพร้อมด้วยกำลังทั้งห้ประการเหล่านี้สมเด็จพระบรมเพชพระราชาสุบานาเจ้าผู้ทรงทุกคุณอันประเสริฐจึงสามารถบำเพ็ญปริตะปฏิบัติคือการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติศา ส, สนาและพระบรมมราชาจากักรียวมได้อย่างไพศาล ซึ่งเป็นไปตามพระประถมบรมราชองค์การที่พระราชทานไว้ในพระราชีัธีบรมราชาพิเศษเมื่อพุทธศักราช2562อที่ว่าเราจะเสพสารรักษาและต่อยอดค้องแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่ง ก า, ารราัศดรตลอดไปพระราชปฎิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดนี้เป็นเช่นเดียวกันกันกบที่สมเด็จพระบรพมหากษัตรีราชเจ้าห่างพระปรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงปฏิบัลตนเป็นแนวทางดำเนินพระราชริะสืบมาทุกรชาชการดังนั้น สมเด็จพระบรมมหพิตพระราชชนพรรษาเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณีน้อยใหญ่เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมราามหดุนประเสริฐมหาราชบรมนาถมหิดพิตรและสมเด็จ พระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชพันปีหลวงเพื่อบำบัดทุกข์บำราญสุขให้ประชารชานในฝ่าราชนจาจักรตั้งปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากการถวายแรงงานของสน ง, งานขณ้นอําราพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริหรือ ก็อพอรว่าในรัชการก่อนมีโครงการอันเนื่องมจากพระดดราชดำรินับตั้งแต่พุทธศักราช2495จนถึงพุทธศักราช2556รวมจำนวน4447โครงการสมเด็จพระบรมพิโุราาสาธมภาราเจ้าพาช ก, การปัจจุบันผู้ทรงพระคุณดระเสด็ ทรงตริบสารรักษาและต่อยอโครงการอันเนื่จากพระราชดํำริเหล่านั้นจนกระทั่งมีโครงการอันเนื่จากพระราชดำริเพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้อยโครงการดังที่สานัก ง, งานการรายงานว่าในพุทธศักราช2566มีโครงการอนเนื่องจากพระราชดำริจํานวนทั้งสิ้น5้าพ ในการศึกษา ร, รักษาและต่อยอดพระราชกรริกิจฝ่ายพุทธจักรสมเด็จพระบรมเพชพระราชนมบรารยเจา้าผู้ทรงพระคุณอระเรสศทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศ า, าสนูประถมพกเมื่อพุทธศักราช2500ันาร้อุศว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ถลเอิญทวันราชาสมบัติปรรมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและ พระสังกเจ้าจะได้รับการจัด ก, การให้คุ้มครองและรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญขอพระสงค์จงจำข้าพเจ้าไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนาธรรมพกเกนในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธมกะสมเด็จพระบรมโิย พระราชสมบานอเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเริฐนอกจากจะทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยพระองคเองแล้วจังพระราชทานพระบรมชาุเคราะห์และพระบรมชาอุปถรัรมภ์แก่การพระศาสนาด้วยวิธีต่างๆดังที่ทรงส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ผ่านโครงการทนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรมมัิดกพระบรมจันกาลที่เดอมหาภูมิพลอดุญเดมหาราชบรมนาถบพิษรทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดไว้เมื่อพุทธศักราช2546และสมเด็จพระบรมมหิษ พระราชสำนักเจ้าผู้สม พ, พระคุณอภิเษย์ยังคงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจประการนี้เสษมาด้วยการพระราชทานทุนศึกษาบาลีชั้นสูงและทุนระดับอุดมรศึกษาในมหาวิทยาลัยสองพร้อมทั้งทรงต่อยอดด้วยการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้แก่รักตร อบรมพระมักเทศลักสูตรอบรมพระวิปัสนาจางและลักสูตรอบรมพระธรรมจริ์พระราชกรงิจน้อยใหญ่ที่สำเร็จพระบรมพิธภรราชุมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันรเริฐได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย มีมากมายเกินกว่าจะพราณนไว้ครบจฉพาะส่วนที่นำมาพนาณนาขั้งตนนั้นเป็นเพียงตัวอย่างของการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกิยกิจของพระราชบุพการีและสมเด็จพระบระมมหากษัชทร์ธิราชเจ้าในพระบรมราชกุศวงการที่สมเด็จ เพราะบรมพิตพระราชสำนากเจา้าผู้ทรงผูุณภัเสศรัททรงสามารถปฏิบัติพระรากรณีจุดได้มากมายเป็นอเนกอันนั้นก็เพราะว่าทรงครองแผ่นดินโดยธรรมในแห่งพุทธสิทธิว่าอลังกาตุงอลังสังวิทาตุงแปลความว่าตนเองรมก็ได้ใช้ ให้คนอื่นทำก็ได้ส่งผลให้เกิดความสุขสงบและความเจริญรุ่งเรืองทั้งฝ่ายราชอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรสมดังพุทธภาษิต ท, ที่ว่าสัพพังรัตถังสุขังเสติราชาเจโฮติธรรมิโพแปลความว่าถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ราษฎรทั้งสิ้นย่อมอยู่เป็นสุขการที่สำเร็จพระบรมพิธบุรุษสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอภนเป็นสสามารถบาเพ็ญบุรณะอิตาประโยชน์ปฏิบัติเพื่อการทําประโยชน์สุขเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็เป็นเพราะทรงเพียรพร้อมด้วยกําลังสร้ง5ประการดังกรานาขั้งต้น ในบรรดากําลังทั้งหประการ น, นั้นกําลังปัญญาท่านจัดว่าสําคัญที่สุดผู้นำที่ดีตั้งมีปัญญาตามใ น, นแห่งพุทธศาสนาที่ว่าทีโรจัปพลาวาสาธุยุทธะปริหารโคแปลความว่าผู้มีปัญญาและมีกําลังปกครองหมู่คณะดูนัก ทั้งนี้เพราะผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนใจเพชรสมดังพระบาลีนิเคืประบที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าอายังวุจติพิเขเววชิโรภะมะจิตโตปุขโลแปลความว่าพิสูจน์ทั้งหลายบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้มีใจประดุดเพชร หมายความตามในแห่งพระบาลมีมีอยู่ว่าบุคคลได้เชื่อว่าเป็นคนใจเพชรก็เพราะมีปัญญาประดุดเพชรคาว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงความเฉลียวฉลาดหลักแหลมที่สามารถตัดกิเลสในระดับโลกุตระและสามารถแางทะลุทุกปัญหาในระดับโลกิยะ สมดังที่พระนาคเสรกล่าวไว้ว่าเชทนะลัคนาปัญญาแปลว่าปัญญามีการตัดเป็นลักษณะปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมนี้ต้องมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับเพชรที่ใช้ตัดอัญมณีอื่นๆได้เพราะเพชร เป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งที่สุดในโลกจึงใช้ตัดสิ่งของในธรรมชาติได้ทั้งหมดแม้แต่เพชรก็ต้องตัดด้วยเพชรสมดรังพระบาลีที่มาในวชระสูตรชีวาวัชระสานัติกิตจังอเพกจังมณิวาภาษานวาแปลวาว่า ไม่มีแก้วมันีหรือก้อนศิลาใดที่เพชรตัดไม่ได้โดยในนี้จึงไม่มีปัญหาใดที่ปัญญาประดุษเพชรแก้ไม่ได้ปัญญาเป็นคุณธรรมที่มาคู่กับกรูนาคือความสงสารกวนใจปรารถนาจะช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ ปัญญาและกรรยาจัดว่าเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษที่เป็นเช่นนั้นกะเพราะมหมาบรุษผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดประสาทแล้วมองลงมายัางผู้คนผู้อยู่บนพื้นดินที่กำลังประสบปัญหาต่างๆและเกิดความสงสารในใจดังกุทธพน์ในธรรมบททีวา ปัญญาภาษาานะมรยหะอะโโกโลกินประชังเป็นต้นแปลความว่าบันฑิตขึ้นสู่ปัญญาประดุษประสาทไม่มีความโศกย่อมมองเห็นมูสัตผู้มีความโศกผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นพรมผานเหมือนบุคคลอยู่บนภูเขามองเห็นบุคคลอยู่บนพื้นดินฉะนั้นดังนั้น ความกระนาจึงเป็นปกติวิสัยของมหาบุรุษผู้มีปัญญาดังนั้นเรื่องต่อไปนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ในนิโครทชาดกในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติในกรุงพรราณฎีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยากวางทอง เชื่อว่าหนึ่โครอบเป็นหัวหน้าฝูงกวางซึ่งมีอยู่ประมาณห้าร้อตัวอาศัยอยู่ในปา่าใกล้กับกวางอีกฝูงหนึ่งจำนวนเท่ากันซึ่งมีพญากวางทองเชื่อว่าสาขาเป็นหัวหน้าในสมัยนั้นพระเจ้ากรุงกรานาสีโปรดเสวยเนื้อกวางจึงได้เข้าป่าล่ากวางทุกวัน และเกณฑ์ชาวบ้านให้ไปกับพระองค์ด้วยทุกครั้งทาให้ชาวบ้านไม่เวลาประกอบการงานดังนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันไล่ต้อนกวางทั้งสองผูงนั้นมากลักไว้ในเขตพระราชาอุทยานเพื่อให้พระราชาทรงลากกวางได้โดยสะดวกครั้งหนึ่งพระเจ้ากรุงปราณสีเสด็จไปลากกวางตามปกติ ทรงพบเห็นพยากวางทองทั้งสองคือนิโคและสาขะที่มีลักษณะงดงามยิ่งนักจึงประกาศพระราชทานอาภัยว่าห้ามใครฆ่าพยากวางทั้งสองนั้นพยากางทั้งสองทำข้อตกลงร่วมกันว่าแทนที่กวางลูกผงทั้งหมด จะอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าเมื่อไรจะถูกล่าจะเป็นอาหารของปราชากวางแต่และตัวจะแบ่งวรรกันเข้าไปนอนเอาหัวพาดเขียงให้พ่อครัวค่าเพื่อทำอาหารถวายปราชานับเป็นการสลัชีวิตเพื่อความอยู่รอดของหลายชีวิตในแต่ละวันการก็เป็นมาอย่างนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งถึงวาระของนางกวานที่กำลังตั้งท้องจะต้องไปให้พวกอ้วกฆ่าด้วยความเป็นห่วงลูกในท้องนางกวางตัวนี้จึงไปหาพญากวางทองชื่อว่าสาขะผู้เป็นหัวหน้าโดยขอให้เลื่อนวาระขอบเอ็นออกไปเพื่อให้รอลูกั้งตน ออกก่อนพระยากวางทองสาขะผู้ไม่เคยคิดการุณาต่อคนอื่นได้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆนางกวางน้อยใจจึงไปขอความช่วยเหลือจากพระยาควงต่อจืดนิโครเมื่อทราบปัญหาของกวางทองแล้วพย า, วาควงทองนิโครผู้มากด้วยความการุณาต่อควางทุกขตัว ก็ไปอาจตัดใจส่งกวางอื่นไปตายแทนานางดังพญากวางนิโครจึงตัดสินใจสละชีวิตของตนแลกกับชีวิตของนางกวางและลูกในท้องโดยพญากรองทองนิโครธได้เข้าไปนอนเอาหัวผ้าดเขียงให้พ่อครัวข่า แทนานางกวอคลองที่กําลังตั้งท้องนั้นแต่พระครัวก็ไม่กล้าขา่าประยาคลองทีโกตผู้ได้รับพระราชทานอาไปไว้แล้วเขาจึง ร, รีบไปกลับูนแรงงานเหตุการให้พระราชาสงสาบพระราชาเสด็จมาถามพระยากวรว่าทำไมจึงยอมเสียสละชีวิตเชน่นพระยากรมี่โคต จึงเล่าความเป็นมาทั้งหมดให้ทรงทราบพระจารู้สึกประทับใจในปัญญาและกรุณาของผู้นำที่เป็นบัณฑิตอย่างพยากรวังนิโครจึงพระราชาทานอาภัยแก่ผูงกวามและผูงสัตว์ทั้งหมดในกรุงพราณีในเรื่องนี้ พระยากวังผองในโคดมีความกรุณาคือสงสารนางกวงและลูกในท้องจึงใช้ปัญญาประดุดเพชรแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้สมดังพระอัตกตาจารย์สังวรนานาไว้ว่าปัญญายะสยังตรรติกรุณายะยระเรตตาเรติแปลความว่ามหาบรุษ พาตนเองข้ามพ้นทุกข์ด้วยปัญญาพาคนอื่นข้ามพ้นทุกข์ด้วยการุณานธรมนองเดียวกันสมเด็จพระบรมเพชรู้ราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นมหาบุรุษผู้เพียบพร้อมด้วยอัตตะหิตะสมบัติคือกำลังแห่ปัญญาประดุดเพชร และทรงบำเพ็ญพระหิทปฏิบัติด้วยอันาจแห่งพระมหาการุณาจึงทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพร ะ, ะราชกรณียกิจของพระราชะบุพการีและสมเด็จพระอุรพระมหากษัตริย์ธิราเจ้าเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาาราชนตลอดไป นับแต่นั้นมาสมเด็จพระบรมเพชพระรจชสมภานาจ้าผู้ทรงพระพคุณอันเปิดทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชบัญญานนั้นอันนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนาาเป็นอนเนกอั น, นันต์สอดคล้องกับพุทธพ์ทธทิวาสิยธาปิทิคเวมาหามีโคสบะภราษสสามิ สัพพทานเต็มโตพระหนุนชนะสะอัตไายะอิตายะสุขายะโหติเป็นต้นแปลความว่าพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาเมฆยังข้าบกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่าย่อมมีมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากชั้นใด สัตบุษรคนดีเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันนั้นเหมือนกันดังนั้นในโอกาสพระาราชพิธีมหามงคลเฉลิพระชนมรรษาหราบยี่สิดกรกฎาคมพุทธศักา 67, ราชสอง7ห้ารอเจ็รัฐบาลพร้อมด้วยคณะสองและประชา อดศดรทุกมูลเหล่าได้มีสมณชันพร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความพิจิโสงว น, นและจงรักภักดีให้ปรากฏด้วยการตามความดีมีประการต่างๆเพื่อน้อมถวายพระพนชัยมงคลเทศนาประโยชน์สาเในในอวสานเป็นี่วย่งกันธรรมเทศนานี้ ขออำนาจแห่งคุณภระรีรัตนไตรและอานุภาพแห่งกุศลบุญญะราศีส่วนธรรมัสสวนม์มหม่จงมารวมกันเป็นตปะเตชะพละปัจจัยสำริดผลเป็นพระพรชัยมงคลเดชสมเด็จพระบรมมพิยพราชสมภาราชจา้าผู้สมพระคุณอันประเสริฐขอให้ทรงเจริญ ราชาสิริสวัสดิ์ิพัฒนามงคลพระชนสุขทุกประการพระบรมรีชานุภาพแผ่ไพศาลทรงอภิบาลรักษาประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชาจักรีวงให้ดำรงพัฒนาสถาพรตลอดจิรติการ ร, ปรัประธานแสดงธรทมเสนาในวัชิโ ร, รกุมกาถาพอสมควรแต่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการว่าจ น, นี